กายทิพย์ได้วัตถุมาจากไหนบางคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อกายทิพย์ก็เป็นวัตถุจึงได้มีปัญหาเกิดขึ้นว่าในขณะที่วิญญาณสร้างกายทิพย์วิญญาณจะได้วัตถุมาจากไหนสำหรับปัญหาข้อนี้อาจจะเข้าใจยากที่สุดสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าท่านศึกษาถึงข้อเท็จจริงดังต่อไป น, นี้แล้ว บางทีอาจจะเข้าใจได้โดยไม่ยากพวกโอปปาติกะชั้นต่ำซึ่งยังติดอยู่ในวัตถุมากและมีความเคยชินไปจากโลกมนุษย์บุคคลประเภทนี้จะรู้สึกว่าเขาจะมีชีวิตยอยู่ได้เขาจะต้องได้กินอาหารแต่อาหารเขาจะได้มาก็โดยที่จะต้องมีผู้อื่นให้เช่นทำพิธีเส้นหรือทำบุญอุทิศให้ขอให้สังเกตว่าอาหารที่คนในโลกมนุษย์ให้เขานั้น ความเป็นจริงก็ยังคงมีอยู่ในโลกมนุษย์แตน่นเมื่อเราเข้าสมาธิไปดูเราก็จะพบว่าอาหารยังเดียวกันกับที่อยู่ในโลกมนุษย์ได้มีอยู่ที่โอปปาติกะเราจะเห็นเขากำลังกินอาหารอย่างเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งที่ความจริงอาหารนั้นเกิดจากใจคือเกิดจากตัณหาอุปาทานเกิดจากวิบาะของเขาเองและในธํานองเดียวกันร่างกายของพวกโอปปาติกะ ซึ่งเป็นการที่เกิดใหม่จากใจของเขาเองซึ่งถึงแม้จะมีรูปร่างลักษณะอย่างเดียวกับร่างกายในโลกมนุษย์ในตอนที่ใกล้จะตายก็ตามแต่เราก็รู้แน่นอนว่าร่างกายในโลกมนุษย์ก็ยังคงอยู่ในโลกมนุษย์ส่วนร่างกายของโอปปาติกะเป็นร่างกายที่เกิดใหม่และเกิดจากใจของเขาเองขอให้พยายามพิจารณาดูข้อเท็จจริงนี้ให้ละเอียด และอีกอย่างหนึ่งพวกโอกปปาติกะบางประเภทซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในนรกหรือสวรรค์เขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอะไรเลยแม้จะเป็นเวลานานแสนนานร่างกายของเขาก็ไม่ตายในเมื่อบุญและบาปยังไม่สิน้นซึ่งหมายถึงบุญและบาปที่เป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของเขามาตั้งแต่แรกจากข้อเท็จจริงเหล่านี้ท่านจะสามารถมองเห็นได้หรือไม่ว่า ความเป็นจริงวัตถุสามารถเกิดจากวิญญาณได้คือแปลว่าวิญญาณไม่ได้ไปเอาวัตถุมาจากที่ไหนแต่สามารถสร้างวัตถุขึ้นมาได้เองขอให้นึกถึงตัวตนหรือเหตุการณ์ต่างๆในความฝันคือไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายที่เกิดขึ้นในความฝันซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราฝันเห็นทุกอย่างเกิดจากใจทั้งสิ้น แ่เราไปถือเสว่าทุกอย่างในความฝันไม่ใช่เรื่องจริงโดยไม่คิดว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วภาพต่างๆเหล่านั้นหายไปหมดฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะหาความจริงจากเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าท่านนึกให้ดีว่าถ้าอำนาจจิตที่สร้างภาพต่างๆในความฝันมีพลังสูงขึ้นภาพทุกอย่างในความฝันก็จะกลายเป็นเรื่องจริง ขอให้นึกถึงกายทิพย์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะตายซึ่งทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นในเมื่อเรายอมรับว่ากายทิพย์ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะตายเป็นกายที่มีชีวิตมีประสาทใช้การได้เหมือนกับกายเนื้อและสามารถเห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้ตรงกับที่คนอื่นเขาเห็นและได้ยินและยิ่งกว่านั้น ตามข้อเท็จจริงก็มีอยู่ว่าถ้าเราสามารถติดต่อกับพวกโอปปาติกะได้โดยวิธีเข้าสมาธิเราก็สามารถที่จะเห็นโอปปาติกะได้เหมือนกับที่คนอื่นเห็นในเมื่อผู้นั้นก็มีสมาธิดีเหมือนกันและโอปปาติกะที่มีความรู้ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำต่างๆได้เหมือนกับเราไปหาผู้รู้ที่เป็นมนุษย์ซึ่งจะสามารถให้ความรู้ได้ต่างๆตามที่ท่านมีอยู่ และตามที่เราต้องการผู้ที่ติดต่อกับโอปปปาติกะได้จะรู้สึกว่าการสนทนากับโอปปปาติกะกับการสนทนากับคนในโลกมนุษย์ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันจนกระทั่งในบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอปปปาติกะก็คือมนุษย์นั่นเองอันหนึง่งการที่คนทั้งหลายไม่อาจจะเข้าใจได้ว่า วัตถุทั้งหลายเกิดจากวิญญาณทั้งนี้ก็เพราะเราเคยชินกับความคิดแบบมนุษย์ซึ่งอาศัยความรู้ที่มาจากประสาทสัมผัสความเคยชินที่ว่านี้ก็คือเราเชื่อกันอย่างสนิทใจที่สุดว่าวัตถุจะเกิดจากใจไม่ได้เช่นเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีไม้มีเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้างและต้องใช้เวลาต้องมีความสามารถในการก่อสร้างบ้านจึงจะเกิดขึ้นมาได้ จากตัวอย่างต่างๆในโลกมนุษย์ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีอะไรบ้างที่เกิดจากใจล้วนๆทุกอย่างเราเห็นแต่ว่าถ้าจิตคิดจะสร้างวัตถุอะไรก็ต้องมีวัตถุเป็นเครื่องอุปกรณ์แม้แต่ร่างกายของเราเองจะเกิดและเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ยังต้องอาศัยวัตถุคืออาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้เข้าใจว่าวัตถุเกิดจากใจได้ ความเป็นจริงถ้าท่านได้ศึกษาเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเข้าใจเรื่องวิญญาณในวัตถุแล้วท่านก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากเลยว่าวัตถุทุกอย่างล้วนแต่ออกกาเนิดมาจากวิญญาณทั้งสิน้นหรือจะพูดอีกไวยาจหนึ่งว่าเนื้อแท้ของวัตถุ ก, ก็คือวิญญาณ น, นั่นเองหรือจะพูดว่าวัตถุ ก, ก็คือการปรากฏตัวของวิญญาณในสภาพที่หยาบ คำพูดเหล่านี้ให้ท่านเลือกเอาทั้งหมดมีความหมายอย่างเดียวกันหรือใช้แทนกันได้ถ้าเข้าใจหลักต่างๆดังที่กล่าวมานี้ดีท่านก็จะหมดปัญหาว่าวิญญาณสร้างกายทิพย์โดยไปเอาวัตถุมาจากไหนซึ่งคําตอบที่ถูกต้องก็คือไม่ได้เอามาจากไหนเลยวิญญาณสร้างขึ้นมาเองและคาว่าวิญญาณสร้างในที่นี้หมายความว่า วัตถุนั้นเกิดมาจากอาวิชชาตันหาอุปาทานและจากวิบากต่างๆซึ่งมีอยู่ในวิญญาณวัตถุที่เกิดขึ้นนี้จะออกมายรูปไหนมีลักษณะอย่างไรยอมขึ้นอยู่กับอวิชชาตันหาอุปาทานและวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณนั้นๆอันหนึ่งข้อที่ว่า วัตถุเกิดมาจากวิญญาณเช่นร่างกายของเราก็เอากำเนิดมาจากวิญญาณของเราดังนี้เป็นต้นอันนี้อาจจะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ถ้าพูดถึงว่าวัตถุที่ร้ายชีวิตเช่นก้อนอิดก้อนหินเด่นน้ําลมไฟสิ่งเหล่านี้ก็เกิดมาจากวิญญาณข้อนี้จะเข้าใจยากมากที่ว่าเข้าใจยากก็เพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าในวัตถุเหล่านี้ มีวิ ญ, ญญาณอยู่ตรงไหนหรือรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้มีวิญญาณและอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะเราเคยรู้มาจากความรู้ในทางประสาทสัมผัสว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาอย่างไรเช่นเราก็ใจว่าน้ำเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้ดูได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มองไม่เห็นว่าน้ำเกิดจากวิญญาณ การคิดแต่ในแง่ใดแง่หนึ่งตามที่เคยรู้มาซึ่งความรู้อันนั้นแม้จะถูกต้องแต่มันก็เป็นความจริงเพียงแง่หนึ่งเท่านั้นข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่านอกจากความรู้ทางประสาทสัมผัสแล้วคนเราสามารถที่จะมีความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสได้อีกความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสเท่านั้นที่จะทำให้เรารู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง และความรู้ประเภทนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อได้สมาธิขั้นสูงแต่ก็ต้องอาศัยความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสด้วยและการสแสวงหาความรู้จากภายในนั้นทุกคนก็สามารถทำได้ไม่ใช่เป็นของจำกัดเฉพาะคนนั้นคนนี้เพราะความสามารถที่ว่านี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่คนที่จะเอามาใช้ได้จริงๆก็คือคนที่มีใจเป็นอิสระเท่านั้น คือไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ภายนอกไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความนึกคิดและความรู้ที่ได้มาจากทางประสาทสัมผัสถ้าคนไหนทำได้ดังที่กล่าวมานี้ก็อยู่ในฐานะที่จะเอาความรู้ภายในออกมาใช้ได้อันหนึง่งข้อพิสูจน์ที่จะแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความรู้ดังที่กล่าวมานี้ก็คือ ร่างกายของเราซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดร่างกายได้เอากําเนิดมาจากความสามารถในส่วนลึกของวิญญาณขอให้พยายามพิจารณาข้อนี้ให้เข้าใจโดยวิธีการเปรียบเทียบซึ่งเริ่มจากนึกถึงตัวเราในความฝันและเหตุการณ์ทุกอย่างในความฝันและแล้าก็ก้าวขึ้นไปอีกถึงตัวตนของเราในขณะที่กําลังจะตายและนึกถึงคนที่ได้มโนมยิทธิ ซึ่งสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้และนึกถึงชีวิตของโอปปาติกะและสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกของโอปปาติกะเมื่อค่อยๆพิจารณาถึงข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าวัตถุทุกอย่างได้เอากำเนิดมาจากวิญญาณจริงๆ